วิธีเขาออ้าพรรษาอาวาเทมาจะมิม่งอาวาเทตั้งอกตั้งใจอยู่ประจำวัดมันเอาเฉพาะกุฏดดิหรือสาราก็ได้แต่ตงแก่งอยู่ภายในสาราดี่เห็น <c oughs> อาวาเทอยู่ในอาบาดนี้ เอาเขตอาว่านี่ไม่ไปแกล้งคือรักษาผ่าคล้องเหมือนรักษาผ่าไตรักษาพรรษาจะไม่ไปแกล้งที่อื่นไปสว่างที่อื่นอยู่ในขอบเพคของมีขอบเขตมีรั้วอยู่กะเอารั้วนี่ <c oughs> ถ้าไปที่อื่นก็โดยไม่มีเหตุจำเป็นก็ขาดพรนสาพรนสาขาดคือ <c oughs> มันก็ไม่เหมือนด่างอื่นขาดแล้ว <c oughs> คือมันทำให้ใจของเราไม่สบายทำภาษาก็้ไปที่อื่นไม่มีขอบเขตไม่มีที่จำกัดอธิษฐานภรษาไมา่ค่อจจำกัดก็เหมือนอธิษฐานผ้านั่นแหละอธิษฐานผ้าแล้วก็รักษาไว้ไม่หนีห่างไกลจกบโบกฐขน ของตนเองจากพส <c oughs> วงจีวรสังคาติบริการของชช่เอาจงอยู่ใกล้ไปรักษาชั่วระยะที่สแสงพระอาทิตย์จะขึ้นเป็นสีทองมันมีกวรจะสว่างนะมันมีสีเงินก่อน ส, สีเงินเนี่ยจังไม่สว่างเป็นสีทองจะอกอดถึงจะเป็นสว่างโบราณไม่มีนาฬิกาก็ดูฝ่ามือ หรือดูใบ ไ, ไม้รู้ว่าใบ ไ, ไ ม, มออ้มันอ่อนมันแก่อย่างใบกล้วยมีใบอ่อนใบแก่หรือเบิ้งไร้เมื่อตนเองถ้าเห็นไร้เมื่อก็ไปว่าแก่งแล้วเป็นเมื่อใหม่แล้วเป็นวันใหม่แล้วผ้าต ะ, ะบงกี่วอนผ้าคองผ้าใจก็ห่างไกลได้ทางในภาษานี่เหมือนกันนั่นแหละ ข้าพรรษาเหมือนกันถือพรรษาก็เหมือนกันยังไม่สว่างก็ออกนอกที่ไม่ได้ <c oughs> ต้องเข้งคัดบางแหง่งบางวัดอยู่เมืองไทยฝ่ายปกครองไปบินทบาตติสห้าก็มี <c oughs> ออกนอกวัดไปแล้วยังไม่สว่างข้าเข้าพรรษา <c oughs> มันไม่สว่างนะถ้าเวลาในประเทศไทย <c oughs> ต้องถือเข่งคัดจุดนี้ จ, จำกัดอยู่ที่มียกเว้นเฉพาะมีความจําเป็นพระพุทธเจ้ามีความจําเป็นมีสัตหะะจําสัตหะไปออกตัวญาติโยมมีปัญหาเกี่ยวแก่บการปฏิบัติธรรมอยากฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไปแก้ไขให้ได้ไปบอกให้ได้ไปเตือนญาติโยมก็ดีพระเจ้าพระสงค์ก็ดีอยู่ห àng, ่างๆไกลๆหรืองานใหญ่ยิตใหญ่ของพระสงฆ์ประชุมใหญ่อะไรอย่างนี้ ัตหะไปได้หรือพ่อแม่ยับใข้ได้ป่วยหนักไปดูแลแล้วก็น้ำท่วมวัดอยนี้อยู่ไม่ได้อินทบาตไม่ได้ก็จำัตหะไปได้มีคำจำัตหะอยู่มีเหตุจำเป็นจึงจะไปได้ไวาทีะนั้นให้พยายา ม, มเข้าใจเรื่องคําว่าเข้าปัรษาอนี่ความหมายยังไง ก็มีความหมายก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเพราะว่าไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยอาการไปโน่นไปนี้ไม่เป็นเครื่องปริโภทอกังวลให้ปากลักยูสาเหตุควมเป็นมาสาเหตุควมเป็นมาของพระพุทธเจ้าที่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาในเทศกาลหน้าฝน ทังพระพุทธการยังไม่ปฏิญาต ก, ก็คือพระสงฆ์ไปเที่ยวทุดงไปนู่นไปนี่ไม่มีเวลามีเวลาบางทีออกตัวญาติโยมทําไร่ทำํำนาก็ไปเหยียบข้าวเหยียบอะไรของญาติของโยมอะไรทําให้เสียหายก็เลยมีเหตุจําเป็นก็เลยทรงอนุญาตให้พระผู้สูสงสไม่ต้องออกไปนอกจากสถานที่อยู่อาศัยะเป็นเหตุเดียวก่อนจึงได้บัญญัติให้พระผู้สูสงสอยู่จําพรรษา ในแต่ละอธิษฐานแรกแปากหลักอยู่ตั้งอใจปฏิบัติโดยเฉพาะข้อวัดปฏิบัติต่างๆคําว่าสัจจะสัจจะจะอยู่รรษาก็เป็นสัจจะอีกอันหนึ่งสัจจะที่เราจะปฏิบัติเคร่งคัดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างทุลงควัดอยู่ในสติิกหมายความว่าจะไม่นอนอย่างนี้อย่างเมื่อวานมีญาติโยงคนหนึ่งว่าจะไม่นอน ดับวันจินพระใจหรือจะไม่นอนจังไม่ถึงเที่ยงคืนจะไม่นอนอย่างนี้ก็ชัด ช, ดชดจาะ ก, ก็ได้เหมือนกันจะไม่ฉันน้ปนาปานะจะไม่ฉันเอาง ม, มอาหารอะไรหลายอย่างฉันอย่างเดียวฉันอาหารอย่างเดียวอะไรก็แล้วแต่เราจะอธิษฐานเราภาชนะเดียวปกติเราก็ทําอยู่แล้วถือจุลดวงอยู่แล้ว ท, ที่เพิ่มเข้าไปอีก เพื่อจะถูกมัดจิตใจของเราเพื่อจะตั้งใจทำความเพียรพระพุทธเจ้าจะได้ตัดทารู้เพราะพระพุทธเจ้าได้ตั้งสัจจะนะทำอยู่สี่ปีห้าปีก็ไม่ได้ตัดทรู้เวลาจะได้ตัดทารู้ก็คือสัจจะเวลาได้เสวยพระกยาานแล้ว <c oughs> ตั้ง <c oughs> อะไรล่ะมักสวดให้เข้ามตุปราชายพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าลําบากลําบนที่พระเจ้าไม่ได้สวยพระกยาหารสันพัตตาหารเป็นลมนอนลุกไม่ลูกสึกตัวนางสุชาดาไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วโอ้สงสารพระพุทธเจ้าจะไปทรมานถึง ย, ยังไม่ได้ตัดทารุณนั้นไม่ได้ไม่ถูกต้อง เลยไปฉันแล้วพอจะฉันแล้วกามีกําลังขึ้นมาเอ๊สาเหตุอะไรเราจึงไม่ได้ตัดทะลจึงเอาถาดทองคําไปขอเสี่ยงถาดทองคําที่ <c oughs> จุติาราเอาไปถวายใสายเข้ามุตุปริฎาไปถวายนั่นแหละ <c oughs> ถ้าจะได้เป็นผู้เจ้าขอให้ถาดทองคําไหลทวนกระแสถ้าจะไม่ได้เป็นผู้เจ้าขอให้ถาดทองคําไหลไปตามกระแสน้ำํำ <c oughs> นางสุดาดากับสาวใช้ก็ไปดูพระพุทธเจ้าเสียงถาดพระดีฐานสุดถาดทองคํากดไหลไปน้ําไหลแรงๆไหลเชี่ยวแรงๆก็ไหลทวนกระแสขึ้นไปพอจะสุดลู ก, กระตาหน่อสายตานน่อยจมเด้งลงไปเหมือ น, นว่าโอ้เราจะได้เป็นพุทธเจ้าจริงๆท่าสาเหตุอะไรทิ้งเดไม่ได้เป็นพุทธเจ้าก็เลยจะไปขอตั้งสัจจะเราเาจะได้เป็นพุทธเจ้าแล้วต้อง ยังไงก็ เ, เอาให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆละวันนี้วะ <c oughs> หลังจากเที่ยงถาดจะได้เดินขึ้นมาหาสถานที่นั่งก็ไปเจอมานภไปหาเกี่ยวหญ้าจะไปมุงหลังคาบ้านก็ไปเห็นว่าพระพุทธเจ้าเดินหาอะไรเนาะตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจา้าพระคุณเจ้าเดินหาอะไรบอกหาสถานที่นั่งปฏิบัติทำ ไปเห็นต้นไม้ใหญ่ <c oughs> มนุก็เลยถวายหญ้าคาเอาไว้เป็นอัศนะนั่ ง, งหาวิธีใดวิธีใดก็อกเอ๊ไม่ได้ตัดตรรูปไม่ได้ตัดตรรูปก็เลยบอกว่าต้องสัจจะเราขาดอย่างเดียวคือยังไม่เคยตั้งสัจจะตั้งสัจจะคืออะไรเนี่ยตั้งสัจจะเพื่อต้าหากไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าวันนี้จะไม่ลูกจากทีนะ่ตั้งสัจจะ แต่ก่อนก็ไม่ได้เคยตั้งสัจจะมิแต่นั่งไปตามกําลังศรัทธาบางทีก็นั่งนานก็ได้ไม่นั่งนานก็ได้บางทีก็แล้วแต่กเวลาจัดพอประมาณก็หยุดที่นี่ไม่หยุดถ้าไม่ได้สําเร็จเป็นพระเจ้าจริงๆก็ไม่หยุดทีนี่ที่นี่คําว่าสําเร็จได้สําเร็จใครบอกว่าพระพุทธเจ้านะการที่ได้สําเร็จ เป็นพระพุทธเจ้าไม่เหมือนที่ปฏิบัติมาคือมันโล่งหัวใจไปหมดโล่งจิตโลงใจขมายกนจังจะไม่ตัดะรูยังคล้องอยุมีปัญหาอะไรจังคล้องจิตคล้องใจคลั่งนี้ครั่งสุดท้ายนี่ได้ตัดะรูนี่ไม่คล้องใจนั่นโลกวิธูรู้ไม่หมดเรื่องของโลกมีอะไรรูกแก้งโลกวิธูนั่นโลกวิธูคือรู้แก้งโลกไม่ใช่ตาเนื้อรู้นะ เดี๋ยวบางคนเข้าใจ ก, ก็ตาเนื้อมองเห็นโลกเป็นอย่งงางน้นอย่างนี้ต้องธรรมะจากส่คือตาแปรในภายในใจของพระพุทธเจ้าเกิดความรู้สึกว่ามันโล่งมันเป็นอะไรมันสว่างมันไม่มีอะไรคล้องจิตคล้องใจหายสงสัยในใจนะ <c oughs> ไม่มีอะไรคล้องใจนะตอนที่พระพุทธเจ้าจะก <c oughs> ดอาหารเราไปเสวยก็อยางหาันพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไปฝึกฝนอบรมด้วยก่ คายศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าแสเเวงหาเพื่อความมักมากแล้วเห็นว่าพระพุทธเจ้าคลายความเพียรแล้วเห็นพระพุทธเจ้าฉันาาไตว่ากกาจ han เลยพากันแยกจากพระพุทธเจ้าไปเพราะฉะนั้นพระุทธเจ้าก็เลยได้โอกาสไม่มีใครไปก่อ ค, ค, ควรไม่มีใครไปยุ่งไปกระลึกอธิษฐานสัจจะบุญบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วลึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีลึกถึงสัจจะบารมีที่เคยตั้งเอาไว้สังสามประการ มีเครื่องมาช่วย <c oughs> สมมุติทางโ ล, โลกมาสมมุติว่ามีนางทรณีมาช่วยพระพุทธเจ้าให้พ้นจากพระจมารพระจุมารในบทพ่องห้งนั่นพระามานมาสู้กับพระพุทธเจ้าช่วงร ะ, ะเจ้าพุทธเจ้าตั้งสัตจนะับ่ะพรามานเยอะนะถ้ายังไม่ได้ตั้งพระามานไม่เท่าไรหรอก ดูแต่คนทุบบุรีคนอยากขันกาแฟจ า, า จ, า จ, าจากนู่นจากนี่จากอด่างนู่นอย่างนี้ไม่ตลอดหรือต ล, ลอดลก็รู้เองแหละนะส่วนมากหรือไม่ตลอดนะมันเพิ่มมะเพิ่มความหิวนั่นโดยเฉพาะทรมานเรื่องสัจจะจะอดอาหารหนึ่งเหมือนกันนะถ้าได้ใช้ชนะแล้วหมดไม่มีความหิวถ้าไ ม, หม่หนึ่งวันสองวันสามวันอีกโอ้ไม่รู้มันยกมาแต่ไหนจะนั่งเหมือนกันนะ่ะ จะนั่งหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ถ้าตั้งจัะจ่ะหรอไม่รู้มันมาจากไหนคนเก็บคนปวดนะถ้าไม่ตั้งหลักมันแบบสบายสบายไปมันไม่ไม่กวนก่อกวนง่ายนะจะเห็นเลยละ่ะลองดูเถอะนั่งถ้าแต่นั่งหนึ่งชั่วโมงลองดูจะไม่กระดูกกระดิบมาแล้วพญามันแทบเดียวสู้ ส, สู้สู้ได้ถ้าไม่สู้ได้ก็แต่กันตืดนั่นหละนะมันเป็นพญามันจริงๆรนะ ผ้หูป้าหัดป้าหัดคือมือพระจมานเป็นพันๆตีพระพุทธเจ้าทุกพระพุทธเจ้ามาทางไหนท่าไหนประก็บความนึกคิดความปรุงความแต่งความอะไรหนีจากประสาตราชชวังอะไรมนมารวมกันในวันนั่นหมดนะพระพุทธเจ้าสู้อะไรด้วยอะไรล่ะขันตีขันตีปรมังใช้ความอดทนสู้ด้วยความอดทนสู้สู้ไม่แต่จะลุไม่ยอม ถ้าเราเอากิงจังมันก็ถอยแล้วพยายามานเนี่ยถ้าเราไม่เอาจริงมันก็ไปลออพยายามานเล่นอยู่นั่นเมันใช่ของง่ายๆนะเรามาสัจจะสัจจะเนี่มัเคยอดเคยง่วงเคยไล่พลังแล้วนั่งก็เหมือนกันนั่งนี้ทำไมมันสูม้มันไม่ได้เอาต้องเอาเป็นวันเลยไม่ยกลุกนี้ไม่สว่างวันนี้ไม่ลุกนี้เดินก็เหมือนกันแป๊บเดียวมันปรงแต่งนู้นนี้หยุดต้องเอาสว่างเขาไม่สว่างไม่ยกออกจากทางจมกรม เอาบริขารไปพร้อมพรวบงจีวันบาทไปตั้งไว้ข้างทางชมกลนั่นไม่งั้นมันจะหาเรื่องเข้ากุฏิ <c oughs> ถ้าไม่เอาเงินจังไม่ได้ใช่ชนะหรอกเลือกเอาแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละรูปว่าจะเอาข้อไหน <c oughs> ถ้าตั้งมากๆยิ่งไม่ได้นะอย่างน้อยที่สุดก็ได้จักข้อสองข้อ นอนก็เหมือนการใคยอดนอนแปลงแล้วมั่อดไม่ได้ก็เอาตลอดพรรษานะวันหนึ่งสองวันไม่ยได้เอาตลอดพรรษาไม่ยอมนอ น, น, นทีนี้เดินไปเดินมามันง่วงไปในตัวนะเดินทางโยกกลมเดินแทบเดียวกับฟอนะนะถ้าความธาตุขันของก็ต้องการความนอนเหมือนกันเดินไปยืนเทปเดียวง่วงแทปเดียวเงียบแทบเดียวก็หายง่วงได้ความต้องการของธาตุขันไ ม, ไม่มากเท่าไหร่ พระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้วันหนึ่งให้นอนสี่ชั่วโมงเหลือจากนั้นเป็นเวลาทํามเพีย德คือทําบุญหรือภาวนาจะดูวันหนึ่งสี่ชั่วโมงพักสี่ชั่วโมงน่ะความต้องการของธาตุนะสี่ชั่วโมงพอดีเหลือจากนั้นก็ต้องไปทำ功德โดยเฉพาะนี่อะไรล่ะตัวสําคัญที่คนทํายากที่สุดคือการคุยกันการพูดกัน ตั้งไปเลยไม่พูดแต่ต้องบางท่านบางรูปไม่พูดกับครูบาอาจารย์ไม่พูดก็ไม่ได้นะเกิดเป็นปัญหาเรื่องการน้ำสมาธิภาวนาจะไปถามใครทีนี้เห็นพระบางรูปไปอยู่ออสเตรเลียไปหยุดพูดไม่ถามไม่พูดอะไร<อ>มันต้องเว้นเอาไว้งดเว้ น, วนยกเว้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราจะมีปัญหาในการปฏิบัติธรรม ต้องมีข้อยกเว้นไว้ถ้าไม่อย่างนั้นเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาล้วโวยกรรมาฐานแตก <c oughs> หรืออย่างน้อยถสุๆเราก็เขียนว่าผมมีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้เร่างนั้นก็ยังได้นั <c> ่น <oughs> หมายความว่ามันคนชอบพูดชอบคุยก็ต้องตั้งอย่างนั้นไม่ตั้งมันไม่ทำอะไรลรา ตั้งความเพียรจะเร่งความเพียรจะเร่งไม่คุกคีอะไรก็แล้วแต่เราจะว่าไม่ทําน้นทนํานี่ไม่ปรุงไม่แต่งเรื่องได้จะดูจากใจอย่างเดียวอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยสวดมากเท่าไหร่ก็เหนื่อยเฉยแต่การหยุดสวดเ่าเป็นยังไงเราเป็นนั่งสมาธิมันกําลังทางใจอะ่ะมันสบายมัน <c oughs> สวัดเเสียงไม่ถูกถกันบ้างลองขึ้นลองไม่ถูกกันบ้างอะไรปรับเสียงใส่กัน ต้องปรับเสียงใต่กันนะถ้าเสียงไม่ถูกกันก็เหนื่อยก็หนึ่งเสียงสูงเสียงต่าอ <c oughs> <c oughs> ันนันก็เหนะื่อยใะการตรวจเพราะฉะนั้นจะตรวจมากน้อยดููที่ตุกุดของตนเองไม่เป็นไรตรวจในใจของตนเองตวดมากเท่าไรก็ได้แต่ <c oughs> ปัญหาหมู่กับพวกนะ่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่มีการโดยเฉพาะในป่าในโรงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีทําวัดเช่าเย็นหรอก แตไมบ่บวดในไม่สีปีห้าปีสี่ช่วงนันนานมามีพระเยอะๆเข้าไปโอ้ยพระทำไมมันไม่ตั้งออกตั้งใจสมาธิภาวนาทําไมไม่พาเขาทําวัดเท่าเย็นบ้างน่ะก็เลยผลสุดท้ายก็เลยได้ทำมาต่อมาก็เลยทํามาทำมาทำไมก่อนจริงๆไม่มีะอยู่บ้านตัดตลอดพรรษาแล้วไม่ได้สรวแจแม่รัฐถาสปีชท่านก็ให้คนเดียวอยากให้แล้วแต่จะให้วันไหนโ ย, ยมก็ไม่ค่อย ม, มีท่านให้ก ลูกติษโลกหามีโยมผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กสองสาคนผู้ชายเพื่อเรศตะายบาทพระเพื่อได้เพรียงของแค่นั้น <c oughs> ของเศษของอะไรก็เพื่อให้แม่คีเก็บหนีไปเลยแจกของใส่บาตรเสร็จแล้วก็ของต่างๆแจกแม่คียกหนีเลยไม่ไมาสวดไม่ได้คุกกินไม่ถึงเช่ามัไม่รับไม่ดูไมลมลาเพราะนั่นจะเข้าสลมสรามไม่ได้มีแล้วมีแต่เวลาเดียว กิจวัตรขอวัดก็ทําทุกเช้าทุกเย็นอยู่ถูสาราปัดกวดสารากะลามะพร้าวหลังจากปัดกวดเสร็จแล้วยกตัวปกติกับ่ายสามโมงพร้อมกันไม่ใช่ต่างคนต่างปัดกวดนะภาษาสามโมงวับนั่นไม่ตาดตัมีแต่ละท่านแต่ะรูปมีไว้ประจํากุฏิแล้วกวัดก็เจ็บพร้อมวัดปัดกวดเสร็จแล้วก็ขึ้นถูสาราพร้อมกันฮึ๊บๆหลังจากนั้นก็ะลงแกสาราหามน้ำใส่ตุ่ม น้ำใช่น้าฉันน้ําตั้งเท้าล่างตีนล่งอะไรล่างบาตรล่างอะไรครบเก็บแล้ว <c oughs> ประสง์น้ำแล้วก็เลิกกันยกเว้นาวันไหนท่านจะลงสลาตอนนี้จะลงสลาน้าร้อนถวายกันหน่อยจึงได้ฉันนะไม่ได้อาบอุ่นทุกวันนี่หรอกจ <c oughs> ึงน้าร้อนน้าอุ่นท่า <c> น <oughs> ไม่สั่งให้ประชุมไม่ได้ต้มกินไม่ได้ฉันแล้วน้ําร้อน เอยู่นครพนมเหมือนกันได้ฉันเฉพาะวันลงอุปศเท่านั้นวันธรรมดาไม่ได้ฉันน่ะได้ยินแต่ชื่อหละโกโก้กาแฟอนนี้นั้นนั้นเป๊ปซี่มาโยมหลวงพ่อวันดีไปมาเจ้าของโรงแรมอยู่นครพนมยังมากราบหลวงปู่เป๊ปซี่มาเป๊ปซี่มาก็หลวงปู่ไม่สั่งก็ไม่เอาไปแก่กันเด้ะไว้แต่ครูบาอาจารย์น่ะถ้ามีนากบนันไหน สำคัญหน่อยมีอะไรนิดหน่อยต้องบวเอาน้ามาแจกกันหน่อยจึงได้เอามาแกกนะถ้าไม่สั่งเราไปเอามาแจ ก, กโอ้ยไม่ไหวแล้วมันกลัวมากนะกลัวพ่อแม่กลักบาอาจารย์สมัยก่อนะมันเป็นมาตั้งแต่เป็นฆราวาสญาณโยมนะรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีโบราณแต่ทุกวันนี้ตีไม่ได้เห็น ไ, ไ, ไ, ไหมล่ะลูกๆกก็ไม่กลัวพ่อกลัวแม่แร้วเพราะว่าอะไรพ่อแม่รักมากเหรอ ไม่กล้าดูดา่าไม่กล่าว่าโดยเฉพาะยางิ่งกว่ามีแต่เอาคนใช้มาเลี้ยงหาคนมาเลี้ยงคนใช้ก็ลวกเจ้านายจะรองให้เขาทำอะไรก็ตามใจละทีนี้ร้องอยากให้อะไรก็ขอเอาขอเอาเดี๋ยวนี้มันยิ่งตลาดละคนะไม่ได้มีอู๋กลวยมันแต่ก่อนแขนอูอแล้วซื้อโทรศัพท์ให้เล่นเงียบ <laughs> มันแตกต่างกันะเพราะฉะนั้นความเกรงกลั ว, ลวอายต่อบาปจึงแตกต่างกัน ไม่รักษาตามคำของโ บ, บรามโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีคำของโบราณเข้าใจลไหมถ้าไม่ผูกกเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เห็นวัวเห็นควายก็ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงวัวควายทําไงมันนอนเป็นยังไงนั่งเป็นยังไงอควายนอนคุบเข้ามานอนยังวน่นคนนอนบอกาับบวบใบกีร่ายก็ควา ย, ายกีล่ายก็หมานั่นนี่นั่นผมนกูสอนออนักเรยนร่วมจะกินเด็กคนนอนกาบไใบวรตถุเห็นบา่าหรอ มานอนมันวนององององุกข์นอนว่าดีนอนร่มตึงเลยดิควายทังสินว่าร่มตึงไหนไมต่ต้องคุบเข้าลงะกตัวขาหนาคุบเข้าลงคอหงุดหงตัวน่นปะน <c oughs> สังเกตปัญหานี้มากว่าออมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเล่นข้อคขติธรรมมัดเพราะฉะนั้นการตั้งแล้วต้องตั้งให้ได้นะ้องจะไปทำเล่นเดี่ยวๆใหญ่ ๆ, ๆโกโหกคนอื่นโ ก, โกโหกได้โกโ อ, อง หกตนเองโกหกไม่ได้นั่นคําว่าความลับไม่มีในโลกไม่มีคนเห็นไม่มีพระเห็นก็ไปว่าเรายังไม่เป็นภาคทีอยากทําอะไรตามจิเลศมันไม่ได้ต้องกล้ า, าหานนั่นมันการการตั้งสัจจะนี่มันพยามาลจริงๆนะมาก่อกวนยิ่งหิวยังมันสองวันเท่านั้นแหละเราได้ใช้ชนะแล้วมันก็ธรรมดาธรรมดานั่น เี่ยเราก็ายเราไม่ได้ใช้ชนะกีเลตก็ม่มกันวิธจริงโอ้ยจะเป็นจะตายตัว <c oughs> โอ้ยตัวนี้พอบ <c oughs> ทำไมกวนโอ้ยตัหลานเศ้าไปรไดดเ๋าสันมันนี่คือกันตัวโอ้ยหลวงพ่ อ, อเศร้าไปรไเดี๋ยาจะขอสูบซะทั่วติตายแท่ละอ้อทั้งแล้วสิมาขอเปลี่ยนสัจจะวันนี้โอ้ย แต่ตัเวที่บอกเองว่าเองแล้ว้ <c oughs> <c oughs> าอดบาจ็บไอดยา ก, า ก, ก็ะไ้อาปากขึ้นมุกกระตกลงไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเป็นสุตายขึ้นเขาขึ้นน้าหม่บว่าดอ๋ <c oughs> <c oughs> าอเงี้ยบอใจแล้ว <c oughs> ล, ลุกนาฬิกอคือว่าวอกลุงน้องแล้วมันขับรถมันสูจยาโอ้จิิาณบอกนะไปหาหมอจูกลับหลวงพ่อหลวงปัญจัน ไอบุรีไปหาหลวงพ่อติเปิ่งสูบดูแต่วะเก็บแผดป่วยเป็นเนืทำตเศร้าบัตรใมาขายมาแล้วมันนาอีกบัตอีกบวเศร้าเลยแล้วป่วยอ่ะมันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ลึกๆทีนี้คนที่เคยถูกเคยติดแล้วก็ทางหัวมันล้ก็หลวงปู่แหวนไปอ่างหลวงพ่อคู่หนึ่งสูบกอกไงหลวงปู่แหวนกอกไงทั่ว่นวาดเป็นส้นที่บ ดูเวื่อต่างประเทศนี่เขามองนะว่า <c oughs> จะมาสอนคนยังไงเขาว่าคงของเสพติดนะพอดีแค่นี้ก็หยุดไม่ได้ปไปสอนคนยังไงวะ <c oughs> เขาตอว่านะอยู่ออสเตรเลียใ <c oughs> จระวังมากเ <c oughs> ขาไม่เท่าไหร่เราติดเหลืล <c oughs> อล้นสังเกตมากหัวออสเตรเีย นั่นแหละให้เร่งพวกไม่ทีไม่อะไรก็เร่งภาคปฏิบัติมากๆากไปมาอ่ะมาก็มีบางปีหลวงปู่ก็ให้เขียนมาท้านหลวงปู่แต่เพื่อเื่อเพื่อป้องกันได้ให้ครูบาอาจารย์รู้แล้วเพื่อป้องกันว่าอายครูบาอาจารย์นี่รักษาไม่ได้ ให้พระเจ้าประสงค์กุบอาจารย์ลูกก็ได้ <c oughs> เขียนมาแล้วต้องไปรักษาให้ได้จะไปกโกหกตนเองไม่ได้ <c oughs> มีสัจจะโดยเฉพาะอ <c oughs> ย่างปีแรกเราใส่อาหารพร้อมใช่ไหมใช่ก็ทำเหมือนปีแรกกันแหละ <c oughs> ให้ดูอยู่ทางนัน้นยงแถวด้วยเอาไรไปูหยุดดืนอยู่ทางนัน่นก็วางขันข้าวอาหารที่ ที่ต๊ะที่วางอยู่นี่นั่นถ้าไม่หมดตรงกับโอทางนี้ทา่านทางนี้กับวางตรงโน้นบ้านทัดอยู่ที่โน้นติดกันหลายคนถ้าคนจะใส่เยอะๆถ้าจะใส่นน้อยก็ถือพร้อมก็ได้จานกับจานกับขันเข่ากมดที่ใก็ได้ <c oughs> อยู่ชนบุรีเขาใส่ฟ้อมกันทั้งอาหารทั้งเขา่าตักเ ท, ที่เดียวใส่เลยเนี่ น้นก็เดี่ยวคนไอกไม่ถึงหวานทงข้าวั้งนันทงนี่สามยางคียางเดียวเดียวโอ๊ยพวท่านใจระเลยฟะตรเหมือนกันถ้าเห็นพอฉันเรยปิดดาเลยถ้ามันเบีกใจยากเอ๊พอฉันนแล้วมันเปียดเลดพระบาทนี่ใช่หราก็ได้ขยัสังเกตุฟ้าดูทุกทายรู้สังเกตุ เขามีความุ่งหวังจะหัวหน้าฉะนั้นแหละองค์ต่อๆไปเข่งเร่งเอาพราฉันก็หยุดเลยฝึกเอาหน่อยทรมานเอาหน่อยไม่ไม่นานหรอก <c oughs> <c oughs> ในพรรษาพุทธกาสพันห้าหกสองข้าพเจ้าแม่คีิสตูบินสืบทาตได้ตั้งสัจจะปฏิบัติ มีดังนี้หนึ่งเร่งควมเพียนให้มากกว่าทุกปีสองขันข้าวกับอาหารอย่างเดียวและไม่ใช่ช้อนสามทําวัดจวดมูลทุกวันเร่งข่มเพียนหม่ก <c oughs> ี <c oughs> จันสีสืบชางดพูดปิดวาจาเดือนละสิบวัน ทานข้าวเปล่าเป็นเวลาหนึ่งเดือนเร่งกลุมเพียนแม่จีสุภาพรปตโตทานข้าวกับผลไม้ตลอดไตามาศธรวัดทุกวันพูดน้อยลงแม่จีสมใจแสวงผลทานข้าวกับ หนึ่งเดือนทำวัดท้าวเล่งทำขมเพียนพูดน้อยลงอ่าแม่คีกันยาวีภัยกิตงดินของจุ๊บจิบนอนน้อยไม่อย่างวของจุ๊บจิบ นอนน้อยทำคมเพียนมากพูดน้อยไม่มีใครไม่พูดเลยตุนชีพมอัพภวันนิสา ร, รัตนพรทานข้าววันละกำ ม, มือแปะปั้นเดียวกันปั้นเนี่ก็อิ่มเต่าจังทางนี้เพื่อนเนียวปันเขาเาเจ้ามันกับปั้นบ่อยไงหรอกอิ่มอยู่ปัน้น ทานข้าวันละกําเนือ้อนอนน้อยทาความเพียรมากขี่พามนัดนัดวรลลางนัดวลลางเพลงเปลี่ยนพูดน้อยลงตั้งใจภาวน า, นะาตั้งใจพูาตั้งใจภาวนานแล้วเปล่ยนน้ำตั้งใจภาวนา อืมแล้วทีตั้งใจว่าเดียเบิ้งเอาเร่งตั้งซับตั้งไว้แล้วก็พยายามไปเร่งทําตามที่เรามีเจตนาอจะไปหากันจะไปคุยกันจะไปหาเพื่อนไม่อยากคุยกันคงงดเร่งควมเปลี่ยนเร่งควมเปลี่ยนพิจารณาสังขารตัวเองเลยไปเห็นว่ามันหนักอะไรอจากใดอะไรมันขัดกับการนั่งสมาธิ คงจะไม่มีพระอะไรมาอีกหรอดูท่านั่นใครว่าจันเสียงจะมาออาคนซื้อมั่งผมจบิสุ์ไวเสียงมาผมก็ไ่อะไปไม่ทำอะไ ก็คนติดที่อยู่แล้วหว่วงหน้าหว่วงหลังไปยากไม่ออกมันจังไหมากอื ม, ม <c oughs> ติดแล้วไปฟังกลมไม่ออกอย่างงั้นล่ะแตรูลแล้วก็นั่นแ <c oughs> หละทางที่เคยทํามาปีแรกนี่นพยายามเนี่หนักผักปฏิบัติทําให้มากๆโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีพิเศษอีกทีด้วยมีพระเจ้าประสงค์เยอะแยะพยายามแต่ละท่านแต่ละลูก พียันตอนเด้งจะทําอะไรก็พยายามโดยเฉพาะเรื่องเสียงต่างๆเราก็ทําอะไรกันมาเยอะแยะแล้วล่ะเฉพาะอยู่อาศัยได้เยอะแยะแล้วสะดวกสบายแปว่าถยูพออยู่พอใช่แล้วการตั้งใจท่านั้นไม่มีอะไรจะมากแต่ละท่านแต่ละรูปร่างมาต่อผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะแล้วเด็กโดยอํานาจมุ่งกุศลนอกตนได้โยม เจ้าประสงค์ได้เสียะละมาคำทานก็ดีรักษาศีลอาหารเขา้าพรรษาสัจธรรมีก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณประทมคุณประสงค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่งางๆในสากลนี้จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาพระเจ้าประสงค์ออกตอนแด่ชมลูกหลานแด่ติพี่น้องจงมีแต่ความสุขคเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัย การงานถึงใดการเงินถึงใดพัฒนาถึงหนึ่งอะไรก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสีเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพรนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถ<อ>ิด <c oughs> เอามามีอะไรก็ทำตามสิ่งที่เราทำมานั่นแหละ หบาก็ได้